งูพิษที่เคยเป็นศัตรูต่อผู้คนได้กลายเป็นมิตรกับพระธุดงขะกรรมาฐานเป็นที่แปลกใจที่เรื่องไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งคือก่อนที่ท่านจะขึ้นไปพักบำเพ็ญสมณธรรมในถ้าแห่งหนึ่งชาวบ้านแถบนั้นบอกว่ามีงูพิษสีดำตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าฐานเฟชชาชนิดใหญ่ ยาวประมาณเมตเศษแต่ดุมากเป็นพิเศษอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเป็นประจำมาหลายปีงูพิษตัวนี้เคยทำอันตรายแก่คนมาแล้วแต่ใครๆไม่กล้าทำาไ ม, มันลัวว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังจนชาวบ้านขนานนามให้มันว่าเจ้าถ้ำใครขึ้นไปพักค้างคืนที่นั่นไม่ค่อยได้ก็บอกว่าถ้ามีคนขึ้นไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นตอนเย็นตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเช้า งูตัวนั้นจะออกมาแผลแม่เบียคู่ฟอ่ฟอถ้าพอกัดได้ก็กัดจริงๆผู้คนเคยเสียทีให้มันหลายรายแล้วจนเข็ดกันไม่มีใครกล้าไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นท่านอาจารย์องค์นี้คิดอยากไปพักถ้ำนั้นเพื่อประกอบความเพียรจึงวานให้ชาวบ้านไปส่งแม้เขาบอกว่างูพิษตัวนี้ดุมากและอาจเป็นอันตรายได้เพราะมันก็ไม่มีใครทราบได้ จึงไม่อยากให้ท่านไปพักแต่ท่านก็ขอให้ญาติโยมไปส่งจนได้โดยให้เหตุผลว่าถ้าถึงคราวแล้วแม้นอนอยู่ในบ้านก็ตายไม่มีใครห้ามได้อัตมาเคยเห็นมาแล้วจนเชื่อกรรมอย่างสนิทใจการอยู่ถ้ำก็เคยอยู่มาจนเคยชินร่างกายจิตใจของอัตมาถ้าเป็นวิสัยก็ควรเป็นได้ก็น่าจะกลายเป็นหินเป็นเขาไปหมดแล้ว คงไม่ทนเป็นกายคนใจพระดังที่เป็นอยู่นี้ได้เลยแม้อัตมาไปอยู่ในถ้ำนี้ถ้าไม่ถึงคราวชีวิตก็คงจะเป็นชีวิตของพระของอัตมาอยู่ดังที่เคยเป็นมาไม่น่าจะเป็นอื่นไปได้งูเป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระซึ่งถือศีลถือธรรมเป็นประจำใจไม่ได้ถือความอิจฉาบาังเบียดทาลายใคร ถ้า ง, งูจะทำอันตรายก็ยอมตายเพราะกรรมไม่ดีของตนที่อาจหารทำชั่วไว้ดีกว่าการกลับกลัวผลไม่ดีจะตามสนองในภายหลังเป็นไหนๆ น, นักปราชท่านยังจะชมเชยว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงแม้ตายเพราะเหตุดังกล่าวนี้เสร็จแล้วท่านก็ไปจริงๆโดยให้ญาติโยมไปส่ง เมื่อไปพักอยู่ในถ้ำนั้นได้ความสะดวกกายสบายใจเพียงคนเดียวพอตกวันที่สองตอนเย็นก็เห็นงูดำตัวนั้นเลื้อยออกมาจากซอกหินและค่อยๆเลื้อยตรงมายัางท่านซึ่งกำลังนั่งรำพึงอัต ธ, ธรรมอยู่บนแคร่เล็กๆด้วยสัญชาตญาณที่เคยถืออำนาจในการทำลายพอเห็นมันเลื้อยตรงเข้ามาหายัางไม่เกรงกลัวและทาท่าจะเอาจริงเอาจังกับท่านจริงๆ ท่านก็รำ ล, ลึกคำที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังได้ทันทีว่าต้องเป็นงูเพชฌฆา ต, ตัวที่ว่านั้นแน่ๆไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอาการอาหาถึงขนาดนี้เลยเรามาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นี่ก็มิได้เบียดเบียนทำลายใครแม้สัตว์ตัวเล็กๆยังให้ความเมตตาต่อเขาเสมอด้วยชีวิตของตนไม่เคยคิดเยื่หยิงในตัวว่าตนเป็นคนเป็นพระที่มีศักดิ์สูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย จึงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั่วไรพบแม้งูดำตัวนี้ก็เป็นสัตว์ที่นับเข้าในจำนวนเพื่อนสุขเพื่อนทุกเพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันแต่เหตุชนไหนอยู่อยู่ไม่มีเรื่องทะเลาะทุบทองตะบองตีอะไรกันเลยงูตัวนี้ยังอุตสาห์ตั้งหน้าตั้งตาเลื้อยเข้ามาเพื่อจะทำลายเราซึ่งเป็นเพื่อนที่เชื่อถือในความเป็นความตายได้ผู้หนึ่งไม่มีเพื่อนใดในเขารูปนี้ จะเป็นที่เชื่อถือได้ยิ่งไปกว่าเมื่อย้อนมาระลึกถึงศีลของตนก็บริสุทธิ์ธรรมะมีความเมตตาเป็นต้นก็เปี่ยมในจิตใจตามอำนาจของจิตของธรรมะซึ่งมีในตนที่อบรมมาถ้าสัตว์ตัวนี้ยังจะกล้าทำอันตรายเราได้ลงคอแล้วก็ถือว่าเราเองในอดีตชาติต้องเป็นผู้ทารุณโหดร้ายเหลือประมาณ น่าจะไม่มีนรกหลุมใดต้านทานไว้ได้ไอ้พ้นจากผลกรรมอันเทารุนนั้นมาแล้วจำต้องมาเจอกับความเทารุนของงูพิษตัวนี้ที่ตนเคยสร้างความเทารุนแก่เขามายัางหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องหลีกกรรมของตัวเพราะตัวเองกล้าทําตัวก็ต้องกล้ารับผลจึงจะสมนามว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงพอคิดตก ก็พูดกับหมูตัวเลื้อยมาหยุดอยู่ห่างองค์ท่านประมาณหนึ่งวาและกําลังแผ่แม่เบีย้ยคอยโอกาสอยู่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเพื่อความมุ่งร้ายหมายโทษใครเลยแต่มาบําเพ็ญธรรมเพื่อความสุขแก่ตนและเพื่อนร่วมชาติโดยแม่นิยมประเภทว่าเป็นใครเราแผ่เมตตาเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงมีเธอด้วยผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายควรรับได้ ถ้าเธอยังหวังความสุขกายสบายใจเช่นสัตว์โลกทั่ ว, วไปก็ควรรับเมตตาธรรมที่เย็นชานี้ไปประดับตัวต่อไปดีกว่ามาขู่เข็นทำลายผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นไห น, ไหนแม้ทำผู้อื่นให้เป็นอันตรายและตายไปด้วยพิษสงของเธอส่วนตัวเองก็ไม่เห็นได้เลื่อนคุณงามความดีเป็นความสุขความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากจะลงไปจมอยู่ในกองทุกข์ มีนรกเป็นต้นเท่านั้นนี่เป็นผลที่จะรับจากการเบียดเบียนทําลายผู้อื่นเราไม่เห็นด้วยไม่ยินดีด้วยกับการทาของเธอเพราะเป็นงานส่งเสริมทุกเพื่อบีบบังคับตัวเองเราเห็นด้วยเฉพาะผู้ไม่เบียดเบียนทําลายผู้อื่นอันเป็นงานไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครตนก็เย็นผู้อื่นก็เย็นมองเห็นกันราวกับมิตร ที่เคยสนิทกันมาตั้งพันกับแสนกันเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่บังควรที่จะทำความทุกข์ร้อนแก่กันอันเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตัวอีกด้วยเรามาอยู่ที่นี่เพื่อสมานมิตรกับเธอและสัตว์ทั่วไปจงเห็นใจเราผู้เป็นมิตรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเธอรับความเป็นมิตรและเมตตาธรรมจากเราแล้วจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุข เมื่อไปแล้วอยากมาเยี่ยมเยียนเราอีกเป็นครั้งคราวก็มาได้ตามอัธยาศัยเรายินดีเป็นมิตรกับเธอตลอดไปไม่รังเกียจว่าเธอเป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระเราถือว่าเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันจึงมิได้ถือว่าใครยิ่งหย่อนกว่าใครตลอดวาสนาบารมีก็ต่างคนต่างมีตามกำลังของตนที่สร้างมา หรือเธออาจมีวาสนาบารมีแก่กล้ายิ่งกว่าเราก็ไม่อาจทราบได้เพราะต่างคนต่างมีกรรมดีและชั่วติดแนบอยู่กับตัวด้วยกันบางทีเธอลาจากชาติเป็นสัตว์นี้แล้วเลื่อนฐานะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์บรรลุ ถ, ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปก่อนเราผู้กำลังกรรมดำกรรมขาวกับกิเลสตัวโส ม, มมอยู่เวลานี้ก็เป็นได้ถ้าเธอไม่สร้างความชั่วทับถมตัวเข้าไปอีกดังจะสร้างกรรมไม่ดีกับเราอยู่ขณะนี้ พอพูดกับงูจบลงท่านนึกอธิษฐานจิตขออำนาจเมตตาธรรมที่เคยค้ำจุนโลกมาประจำแผ่นดินจงดลบรรดาให้งูตัวนี้จงกลับใจจากความเป็นศัตรูกลายมาเป็นมิตรสนิทสนมกันโดยธรรมเถิดดังนี้เป็นที่ประหลาดและอัศจรรย์เกินคาดว่าอะไรบรรดาลก็ไม่น่าจะพูดได้ถูกต้องทำให้งูตัวกาลังจะทาอันตรายท่านอยู่ในไม่กี่วินาทีข้างหน้า กลับอาการที่เป็นศัตรูลงในทันทีทันใดคืองูตัวนั้นกลับเอาศีรษะลงหมอบสงบนิ่งอยู่ประมาณสิบนาทีแล้วหันศีรษะเลื้อยกลับไปและค่อยๆเลื้อยหายเงียบไปในเวลานั้นวันต่อมาก็มาหาท่านอีกและมาแทบทุกวันแต่ไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวเหมือนวันแรกเลยเป็นเพียงค่อยๆเลื้อยเข้ามาถึงที่เก่า เราทำตัวสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยกลับไปท่านว่าท่านเห็นความอัศจรรย์ของเมตตาธรรมประจักษ์ในคราวนั้นอย่างถึงใจอีกครั้งหนึ่งนับแต่วันนั้นมาท่านกับงูตัวนั้นและอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่มีอะไรเป็นที่ระแวงกันเลยถึงเวลางูตัวนั้นอยากออกมาเที่ยวป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณหน้าถ้ำที่ท่านพักอยู่ ก็มาในฐานะสัตว์ที่คุ้นกับคนด้วยดีแล้วต่างไม่ระวังระแวงซึ่งกันและกันเมื่อคิดอยากออกมาเที่ยวตามภาษาของมันเวลาใดก็ออกมาตามสบายไม่ค่อยมีเวล่ำเวลาเหมือนแต่ก่อนเช่นที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเรื่องทํานองนี้ผู้เขียนเชื่อมานานแล้วจะว่างโง่ก็ยอมรับเพราะตัวเองก็เคยพบบ้าง และครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าสัตว์ทุกจำพวกไม่ค่อยกลัวพระและชอบมาอยู่อาศัยตามบริเวณที่ท่านพักอยู่เป็นพวกพวกฝูงๆทั้งสัตว์ใหญ่เช่นหมูกวางอีแก้งเป็นต้นทั้งสัตว์ตัวเล็กเช่นกระจอนกระแตอีเห็นงูเป็นต้นเนื่องจากสัตว์ส่วนมากรู้อากาศกิริยาของผู้ไม่เบียดเบียนและทาลายได้ดี ระไปพักอยู่ที่ไหนนานๆหน่อยมักจะมีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยท่านเองก็เมตตาชอบเล่นกับมันและชอบเอาอาหารให้มันทานซิด้วยซึ่งสัตว์บางชนิดชอบทานกล้วยผลไม้ข้าวประจําชีวิตของมันส่วนน้ำเป็นอาหารจำเป็นของสัตว์แทบทุกประเภทฉะนั้นเวลาพระท่านเห็นสัตว์ต่างๆมาอาศัยมากเข้าจาต้องหาภาชนะใส่น้าไปตั้งไว ในที่ที่ควรแก่สัตว์เหล่านั้นจะมาดื่มกินกันได้เพราะเหตุแห่งความมีเมตตาจิตเป็นมูลฐานทำให้สัตว์และคนมีความสนิทไว้ใจกับพระเป็นพิเศษสมกับเป็นเพศที่เย็นไม่เป็นภัยแก่ใครๆมาแต่การไหนๆดังนั้นเรื่องที่ท่านอาจารย์องค์นั้นเล่าให้ฟังจึงเป็นความจริงตามเหตุการณ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิม โดยมากพระทุดงคักรรมฐานที่ปฏิบัติเด็ดเดียวอาจหานมักผชนภัยเสมอแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ไม่เป็นเหยื่อแก่ภัยนั้นๆจึงทำให้คิดและมั่นใจว่าผู้มีธรรมะในใจและผู้มุ่งมั่นต่อธรรมะอย่างยิ่งแม้จ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆก็มักมีชัยชนะโดยธรรมเสมอไม่ค่อยมีอะไรทาร้ายให้ล่มจมชิบหายเหมือนธรรมดาทั่วๆไป คล้ายกับมีปาฏิหาริย์ลึกลับอยู่ในตัวแบบพูดยากๆบอกใครไม่ได้แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงทั้งนี้ทราบจากหมู่เพื่อนเคยเล่าเหตุการณ์ทํานองนี้ให้ฟังเสมอท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวและชอบไปและอยู่ลําพังคนเดียวไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงโดยให้เหตุผลเป็นที่จับใจว่า การไปคนเดียวอยู่คนเดียวทำให้มีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ค่อยเผลอพลไปกับเรื่องต่างๆดังอยู่กับหมู่เพื่อนที่จำต้องพูดคุยกันบ้างในบางเวลาส่วนการอยู่คนเดียวนั้นเป็นเรื่องของคนคนเดียวแท้ๆไม่มีอารมณ์เกี่ยวเกาะอิริยาบถต่างๆเป็นไปกับความเพียรมีสติติดต่อสืบเนื่องกันไม่ขาดสาย คนเราถ้าสติอยู่กับตัวย่อมมีทางทราบเรื่องต่างๆที่เกิดกับตัวได้ดีแม้ถึงคราวจวนตัวก็ไม่พวักพวนกับใครมีตัวคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของตัวหากจำเป็นถึงคราวเข้าจริงๆชีวิตจิตใจก็มอบไว้กับคติธรรมดาไปอย่างเป็นธรรมไม่ต้องยุง่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงให้เป็นภาระห่วงใหญ่ ยอมตายไปกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างสบายหายห่วงเรื่องศพเรื่องเมรเมื่อเจ้าของหมดความห่วงใยไร้กังวลแล้วก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นนอนจมไปกับดินกับหญ้าเช่นวัตถุทั้งหลายนั่นเองไม่มีอะไรแปลกต่างกันท่านพูดหน้าฟังฟังและจับใจไพเราะ ทั้งเหมาะกับจริตของผู้ตั้งหน้าเป็นสักยบุตรพุทธชิโนรสตามรอยพระบาทแท้นานๆจะได้เจอสักรายฝังและจำไว้เพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้นานๆประวัติท่านจะเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อก่อขแขนงกันต่อไปไม่มีสิ้นสุดทุดวงขวัตที่ประทานไว้เพื่อมูชนก็ไม่เป็นโมฆะจมไปกับดินกับหญ้าซึ่งหมด เป็นที่น่าสังเวชสลดใจยังมีผู้อุตสาห์ดำเนินตามและเก็บดอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนไม่ขาดสายโดยเป็นความสงบสุขตามลำดับขั้นภูมิของจิตของธรรมนับแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาจนกลายเป็นขั้นวิมุตติหลุดพ้นเหนืออำนาจแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ผู้มีกิเลส ท, ทั้งหลายติดข้องอยู่ ที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำและเงื้อมผารู้สึกมีเรื่องสะดุดใจให้ท่านผู้อ่านได้คิดอยู่มากกว่าที่พักอยู่ในที่ธรรมดาดังท่านอาจารย์องค์ที่กำลังนำลงอยู่เวลานี้แม้จะถวายน้ำท่านว่านักเผชิญก็ไม่น่าจะผิดและเสียความเคารพเพราะกา ร, รเผชิญเพื่อลุกเบิกหาธรรมะของจริงการถวายน้ำก็อนุวัตไปตามปฏิปทาของท่าน ที่หนักไปในทางเป็นนักต่อสู้หรือเผชิญโดยไม่ลดละล่าถอยให้เหตุการณ์นั้นๆโวระเยะได้การเป็นนักต่อสู้ในขณะที่กําลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้ท่านยังจะได้อ่านเรื่องของท่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะยุตินี่ก็กําลังนําท่านผู้อา่านชมเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมา